Thank <music> you. ฉันไม่เข้าใจทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่มองมาเธองคงไม่รู้เธอคงไม่รู้ ฉันไม่ต้องการแค่เห็นเธอมองผ่านฉันหวังแค่เพียงเธอจะอยู่กันอีกน้นอยู่กันต่อไป ราฉันรักเธอ